Thank you. วันหนึ่งนะต้องผ่านพบต้องเจอเจอสิ่งต่างๆมากมายและบ่อยครั้งเราก็รู้สึกสุขบ้างทุกบ้างจากเหตุการณ์ต่างๆที่เจอเจอและบ่อยบ่อยครั้งเนี่ยเราก็มักจะไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราเจอเจอว่าเป็นสาเหตุแห่งสุขและทุก ข, ของเรา แต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก่อนนั้นก็คือใจใจของเรา เ, เจออะไรเนี่ยก็ไม่สำคัญท้ากับว่าใจเราเป็นอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่คนมักจะมองข้ามไปเรามักจะอธิษฐานปรารถนาอยากจะให้เจอสิ่งดีๆเจอโชคลาภเจอความสำเร็จเจอคู่ครองที่ถูกใจ จะได้เจอเจอความล้มเหลวความยากลำบากโรคภัยไข้เจ็บแต่เรามักจะมองข้ามสิ่งสำคัญกว่า น, นั้นนะที่เป็นตัวชี้ขาดสุขและทุกข์ของเรานั่นคือใจนะผู้เจ้าตรัสเป็นพุทธภาเศสซึ่งหลายคนอาจจะได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆแต่อาจจะไม่ได้พิจารณามากเท่าไหร่ น่นคือพุทธภาษิต ท, ที่ว่าทมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสําเร็จแล้วที่ใจทำทั้งหลายในที่นี้เนี่ยก็รวมถึงสุขและทุกข์นะที่จริงรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือความล้มเหลวสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ใจเราเป็นสําคัญแต่พราะเห็นนี้แหละนะการวางใจเนี่ยนะจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความใส่ใจ จะเจออะไรก็แล้วแต่นะแ ต, แต่สิ่งที่จะมองข้ามาก็คือการวางใจให้เป็นในยามที่เจอเจอสิ่งต่างต่างเหล่านั้นวางใจนี่เป็นความหมายที่กว้างนะมีความหมายที่กว้างหมายถึงทั้งการทำใจการน้อมใจการฝึกใจหรือว่ารวมไปถึงมุมมองนะต่อสิ่งต่างๆาถามว่าจะวางใจเพื่ออะไรนะ ถ้าจะตอบนะจะจำแนกแล้วเนี่ยนะเราแค่วางใจให้เป็นเพื่อที่เราจะไม่ทําตนให้เป็นทุกข์หรือผู้ยา น, นก็คือว่าไม่หาทุกข์มาใส่ใจไม่หาทุกข์มาใส่ตัวเราวังใจเพื่อจะไม่ซ้ําเติมตัวเองวางใจให้เป็นเพื่อที่เราจะได้รู้จักหาประโยชน์จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเราวังจะให้เป็นเพื่อที่จะไม่เปิดช่องให้กิเลส เข้าครอบงำระวังให้เจ๊วางใจให้เป็นเพื่อที่เราจะสามารถเข้าถึงความสุขที่ประเสริฐและประณีตยิ่งยิ่งขึ้นไปให้คุ้มค่ากับการที่เราได้มีโชคที่มาเกิดเป็นมนุษย์อาตมาช่วาเนี่ยคือห้าประการนะหรือเหตุผลว่าทำไมเราต้องวางใจให้เป็นอันนี้คำถามคือว่าจะวางใจอย่างไรนะ จึงไม่ทำตนให้เป็นทุกข์หรือจะวางใจอย่างไรจึงไม่หาทุกข์มาใส่ตัวบ่อยครั้งเนี่ยในยามที่เราปกติเราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีโรคไม่มีภัยเราอยู่อย่างสุขสบายกินอิ่มนอนอุ่นแต่หลายคนก็มีความทุกข์ใจที่ทุกข์ใจนั้นเพราะวางใจไม่เป็นและเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วางใจไม่เป็น ก็เพราะว่าใจเนี่ยนะมันชอบไหลไปอดีตไปจมอยู่กับเหตุร้ายที่อาจจะฝังใจอาจจะผ่านไปแล้วสิปี20ปีหรือเพิ่งผ่านไปแล้วเมื่อไม่กี่วันก็แล้วแต่ทั้งทั้งที่อยู่สุขสบายแต่ว่าใจทุกข์เพราะวางใจไม่เป็นก็คือไม่รู้จักวางใจให้มาอยู่กับปัจจุบัน คนส่วนใหญ่หาทุกใส่ตัวเนี่ยเพราะว่าปล่อยใจให้หลายไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างวางไมก็สำคัญเหมือนกันนะวางใจให้เป็นแต่วางไมไม่ถูกนี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันคนทุกวันนี้เนี่ยนะแม้ว่าจะมีชีวิตที่สุขสบายเนี่ยแต่ว่าเป็นเพราะวางใจไม่เป็นเนี่ยจึงมีความทุกข์ และที่วางใจไม่เป็นเหตุผลนั้นก็คือใจเนี่ยมันไหลไปอดีตไปจมอยู่กับเหตุร้ายที่ผ่านไปแล้วแต่ว่าก็ยังคอยหวนคิดถึงมันอาตมาเคยพบโยมคนหนึ่งนะซึ่งทุกวันนี้ก็ร่ำรวยครอบครัวก็ดีลูกก็เป็นคนที่น่ารักฝ่ธรรมะแต่สีหน้าเธอก็หม่นหมองคุยไปคุยมา ก็ทราบว่าเป็นพ่อเธอเนี่ยชอบหวนนึกถึงชีวิตในวัยเด็กสมัยที่ลำบากยากจนแล้วก็ไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ไม่เป็นที่รักของพ่อแม่เพราะว่าเป็นเป็นผู้หญิงเหตุการณ์ผ่านมาสามสิบสี่สิบปีแล้วแต่เธอก็ยังเศร้าทาั้งทั้งที่ทุกวันนี้เนี่ยร่ำรวยนะเป็นเศรษฐี แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ทุกข์เพราะว่าไม่เจ็บไม่ป่วยลูกก็ดีมาเจอโยมคนหนึ่งเป็นคนไทยคิดหวนคิดถึงเหตุการณ์เมื่อยี่สิบปีที่แล้วมีที่ดินอยู่ผื้นหนึ่งอยากจะเก็บไว้ให้กับลูกเป็นสมบัติแต่ว่าวันหนึ่งสามีก็บอกว่าแน่ว่าให้ขายเถิดแล้วเอาเงินมาให้ลูกแล้วเธอก็ เห็นคล้อยตามสามีขายที่ดินไปบอกว่าสามีก็เอาเงินนั้นเนี่ยไปใช้จ่ายจนหมดไม่มีเงินเหลือให้กับลูกเธอก็เศร้าเสียใจรู้สึกผิดแล้วก็จมอยู่กับเหตุการณ์เนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนซึมเศร้าจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เรียกว่าวางใจไม่เป็นแทนที่จะปล่อยใจให้ไหลไปอดีตวางใจมาอยู่กับปัจจุบัน ไม่ปล่อยใจให้ลอยไปกับอนาคตไปปรุงแต่งกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหลายคนมีความวิตกกังวลกระวนกระวายนะเพราะว่าใจเนี่ยนึกถึงแต่ว่าจะเกิดเหตุร้ายอย่างง้นอย่างนี้อย่างหลายคนตอนเนี้ยอาจจะนั่งไม่เป็นสุขละเพราะว่ากลัวว่าจะกลับบ้านยังไงฝนตกหนาแบบเนี้ยใช่ไหแล้วบ้านเราปิด ปิดแน่นไว้ดีไหมน้ําท่วมหรือเปล่าเนี่ยทุกวันนี้ตอนนี้ก็อยู่ในห้องแอร์สบายไหมก็สบายแต่ใจร้อนแล้วนะเพราะว่าไปคิดเนี่ยถึงอนาโคโเทียงไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิดขึ้นเวลารถติดเนี่ยใจก็ร้อนวนกระวายถ้า น, นั่งที่รถก็ติดแอร์เปิดฟังเปิดเพลงที่ไพเราะแต่พอใจเนี่ยคิดไปล่วงหน้าแล้วว่าเดี๋ยวจะไปประชุมไม่ทนันเดี๋ยวจะผิดนัดเดี๋ยวจะไปทํางานสายเดี๋ยวจะตกเครื่องบิน ถามว่าเกิดหรือยังยังไม่เกิดแต่ว่าใจไปแล้วเนะี่ยดึงใจกลับมาน้อมใจกลับมาพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันหลายคนมีความทุกข์เพราะว่าทั้งนั่งที่ตัวเองก็มีมีทุกอย่างแล้วแต่ก็ทุกข์เพราะไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเห็นคนหนึ่งเขาสวยกว่ารวยกว่ามีลูกที่เก่งกว่ามีลูกที่น่ารักกว่าพลอยทุกข์เลย เวลานี้เกาเคยมีการสอบถามความเห็นของผู้หญิงที่หน้าตาดีนะในยุโรปและอเมริกาเขาจอดจงเลือกเอาสอบถามผู้หญิงที่หน้าตาดี 90% วาเซนมีความทุกข์ไม่พอใจในรูปร่างหน้าต่างตัวเพราะอะไรฮะเพราะไปเปรียบเทียบตัวเองกับดารากับศิลปินนะกับนางแบบแล้วก็เลยมีความทุกข์มากหลายคนแม้จะรวย ไม่รู้จักคำว่าลำบากหรืออดอยากหรือพร่องแต่ก็ทุกข์เพราะว่าเห็นคนอื่นเขารวยกว่าเมื mm ่อใยชิคาโกเนี่ยเ mm hmm. มื่อหลายปีก่อนเคยสอบถามคนประมาณ3ามพคนตั้งแต่อายุห้าสิบกว่าถึงแปดสิบสามสิบกว่าถึงแปดสิบโดยเน้นโดยสอบถามถึงสุขภาพและฐานะทาง ก, การเงินของตัวเองและเครือข่ายที่ตัวเองรู้จัก ไม่จะเป็นครอบครัวญาตพิพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่อร่วม ง, งานแล้วก็พบข้อสุขอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ mm. ก็บอกว่าคนที่ mm. ผู้อื่นที่มีฐานะการเงินดีกว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโลหัวใจยิ่งกว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียวกว่าคนที่มีฐานะดีกว่าคนเราที่ไม่ใช่คนจนนะก็เป็นคนรวยนะแต่ว่าพอเจอคนที่รวยกว่าเขาบคนที่รวยกว่าเนี่ยรู้สึกด้อย รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่พอนะยังจนอยู่และนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยที่อาตมาเรียกว่าเป็นการหาทุกข์มาใส่ตัวนะหรือว่ามาทําตัวให้เป็นทุกข์ ท, ทั้งที่มีชีวิตที่สุขสบายเห็นถ้าเราวางใจเป็นคือว่าเราพอใจกับสิ่งที่เรามีนะไม่มัวเปรียบเทียบกับผู้อื่นแล้วเราก็จะมีความสุขได้ง่ายการมองลบนะก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทาให้คนเนี่ยไม่มีความสุข แม้ว่าจะมีชีวิตีสะดวกสบายพา่อคอยเห็นแต่ด้านไม่ดีของตัวทํางานอะไรก็ตามก็เห็นแต่ข้อผิดพลาดของตัวเวลาทํางานกับเพื่อนร่วม ง, งานก็เห็นแต่ข้อบกพร่องของเพื่อนร่วม ง, งานเรื่องเล่าที่อาตมาคิดเป็นคลาสสิกนะหมายถึงว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากก็คือเรื่องราวของพระอาจารย์พรหมมวังโสถ้าเป็นพระชาวอังกฤษแต่ว่าไปสร้างวัดที่ประเทศออสเตรเลีย และพระที่นั่นเนี่ยต้องสร้างวัดเองท่านมีหน้าที่ท่านได้รับมอบหมายจากเจ้าว่าให้สร้างกำแพงก่อกำแพงโดยอิฐท่านเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องการก่อกำแพงมากอิฐแต่และก้อนแต่และก้อนก็วางอย่างระมัดระวังแล้วก็ให้ได้มุมได้ฉากทาเกือบเสร็จแล้วปรากฏว่าท่านไปเจอไปพบว่ามีอีกสองก้อนที่ไม่ได้มุมไม่ได้ฉาก ถ้ารู้สึกไม่สบายใจอยากจะลือ้อแต่เจ้าว่าแม่อนุ ญ, ญาตท่านบอกถ้าไม่พอใจมากถ้าระเบิดได้ก็จะระเบิดนะแต่ว่าเจ้าวาดอนุ ญ, ญาตก็ต้องยอมแต่เวลาท่านเดินผ่านกำแพงนั้นทีไรเนี่ยท่านก็จะรู้สึกไม่สบายใจขัดตาไปหมดเลยวันหนึ่งมีคารวาตอาคันตุกะมาเยี่ยมท่านก็พาชมวัดคารวัคนนั้นก็เดินผ่านกำแพงแล้วก็เอ่ยปากพูดว่า กำแพงสวยทําได้คดงามอาจารย์พรมบอกว่าไม่ไม่เชื่อหูเลยนะแล้วก็เลยพูดแย้งไปว่ามันสวยได้ยังไงคุณไม่เห็นเลยไออีกสองก้อนเนี่ยอล้วคณิตกาศบอกผมเห็นครับแต่ผมผมไม่ผมเห็นกําแพงส่วนที่เหลือเนี่ยมันสวยอีกสองก้อนเนี่ยมันไม่สวยก็จริงแต่ว่าเก้าร้อก้าสแปดก้อนเนี่ยก่อได้สวย พอที่เองเช่นนี่อาจารย์พรมหมวังโสท่านเรียกว่าสว่างเลยนะท่านเห็นแลยนะความทุกข์ของท่านเนี่ยมันไม่ใช่ไปอีกสองก้อหรอกแต่เป็นเพราะใจท่านเนี่ยที่มองเห็นแต่ไ อ, อีกสองก้อนนั่นแหละก็คือมองแต่ลบนะคณะที่อคัิตุ ก, การเนี่ยเขามองไม่ได้เห็นแต่ลบเขามองเห็นส่วนที่ดีด้วยซึ่งก็มีมากกว่าส่วนที่เสียหลายคนวางใจไม่เป็นเนี่ยวางใจไปอยู่ ไปมองไปจ่ออยู่แต่ไอ้ส่วนที่มันเสียส่วนที่มันไม่ดีท่านทั้งที่ส่วนที่ดีเนี่ยมันมีมากกว่าประการต่อมาคือวางใจอย่างไรนะไม่ซ้ำเติมตัวเองเมื่อสักครู่เนี่ยจะมาพูดถึงกรณีของคนที่เาก็ไม่ได้มีเรื่องเดือดร้อนอะไรมีความสุขสบายในชีวิตแต่ว่าทุกข์ใจเพราะวางใจไม่เป็นก็เลยหาทุกข์มาใส่ตัวแต่บ่อยครั้งเนี่ยเราต้องเจอกับเหตุร้ายนะ ต้องเจอความสูญเสียต้องเจ็บป่วยแต่คนจำนวนมากเนี่ยมักจะซ้ำเติมตัวเองแทนที่จะป่วยแต่กายใจก็ป่วยด้วยป่วยสองอย่างเลยแทนที่จะเสียเงินเสียของเสียเท่านั้นเสียอย่างอื่นตามมาเช่นนึกถึงมันนึกถึงของที่เสียนึกถึงเงินที่ถูกโกง นึกถึงโทรศัพท์ที่ถูกขโมยนึกถึงก็เสียใจขุนเคืองใจใจก็เสียเป็นหนึ่งแล้วนะพอใจเสียมากๆเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพก็เสียไปทำงานก็ทำงานไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิงานก็เสียอยู่กับลูกอยู่กับคนรักอยู่กับเพื่อนด้วยความขุนมัวที่สะสมมานาน บางทีก็ระเบิดอารมณ์ใส่คนที่อยู่ใกล้ตัวเสียเพื่อนเสียความสัมพันธ์บางทีระเบิดใส่พ่อแม่ที่กำลังป่วยจากเดิมเนี่ยเสียแค่หนึ่งนะคือเสียของพอวางใจไม่เป็นนะเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียสมรรถภาพอันนี้เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองคนที่ฉลาดเนี่ยถ้าจะเสียเขจะเสียแค่อย่างเดียว ไม่ยอมปล่อยให้เสียระเนรนาคถ้าจะป่วยก็คอยป่วยอย่างเดียวเวลาทํางานเนี่ยถ้าจะเหนื่อยนะเหนื่อยอย่างเดียวคือเหนื่อยกายแต่ส่วนใหญ่ก็ปล่อยให้ใจเหนื่อยด้วยเป็นยังไงโบนโวยวายเวลาทํางานก็โบนนะจนนายนายเป็นทำเพื่อนเอาเปรียบเพื่อนอู้เพื่อนกินแรงอันนี้หรือว่าซ้ําเติมตัวเอง ถ้าเรารักตัวเองเนี่ยนะถ้าจะเหนื่อยเหนือยอย่างเดียวคือเหนื่อยกายนะไม่ปล่อยให้ใจเหนื่อยด้วยถ้าจะเสียเนี่ยก็เสียแค่อย่างเดียวไม่ปล่อยให้เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนเสียสมรรถภาพถ้าจะป่วยก็ป่วยแต่กายจจไม่ป่วยที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะวางใจไม่เป็นนะเอาแต่บนโวยวายตีโพยตีพายแต่ถ้าวางใจเป็นนะ เราก็รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเอาจิตมาอยู่กับปัจจุบันคนที่ป่วยกายแล้วใจป่วยด้วยเพราะว่าบางทีใจไปคิดถึงอนาคตนะว่าเดี๋ยวถ้าป่วยหนักกว่านี้จะเป็นอย่างไรฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านี่ใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันเวลาเสียของเนี่ยฉันจะเสียงเดียวเสียสุขภาพเสียใจ เสียสมรรถภาพเสียงานนเพราะใจเนี่ยมันไปอยู่กับอดีตไปอยู่กับจดจ่ออยู่กับของที่เสียไปเราซ้ำเติมตัวเองในบ่อยครั้งนะเวลาทำงานแทนที่เราจ ะ, จ, ะจดจ่ออยู่กับงานเราก็ไปดูคนอื่นนะว่าเขาทำงานน้อยกว่าเราเขาอู้งานอันนี้เราส่งจิตออกนอกดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้จักวางใจมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอย่างที่พูดมาสักครู่เนี่ย มันจะช่วยทำให้เราไม่ซ้ำเติมตัวเองเวลารถติดอย่างมากก็แค่เสียเวลาแต่พอวางใจไม่เป็นนะปล่อยให้จิตตกนะเสียทั้งเวลาเสียสติหรือเสียความสุขถ้าจะเสียเสียงเดียวคือเสียเวลาแต่ใจก็ปกติผ่องใสเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้จักวางใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับลมหายใจนะกลับมาอยู่กับเสียง ธรรมะที่กําลังเปิดนะการน้อมจิตหรือวางใจมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะมันจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ซ้ําเติมตัวเองเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเพียงแค่เรายอมรับมันแทนที่จะบน่นโวยวายตีโพยตีพายด้วยาการผลักใสปฏิเสธแค่ยอมรับมันว่ามันเกิดขึ้นแล้วป่วยการที่จะบน่นโวยวายเมื่อป่วยกายแล้วเนี่ยนะ บนวอยตีโพยตยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วจิตใจเราจะโปร่งโล่งซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการที่เราจะมาพิจารณาหาทางแก้ไขว่าเออเราจะรักษาสุขภาพของเราอย่างไรเมื่องานล้มเหลวงานประสบอุปสรรคป่วยการที่จะบนเว t อยตีโพยตยเราก็มานั่งเราก็ยอมรับเออมันเกิดขึ้นแล้ว มองไปข้างหน้าว่าเราจะแก้ไขยอย่างไรการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรายอมรับว่ารถติดในกรุงเทพเป็นเรื่องธรรมดาถึงเวลารถติดแน่นขนาดเราก็ไม่บน่นไม่โวยวายการเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นธรรมดารวมทั้งความเจ็บป่วยว่าเป็นธรรมดาเนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เรายอมรับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้การที่เราเห็นโทษของการบ่นโวยวายตีโพยตพยหรือปล่อยใจให้จมอยู่ความโกรธความขุ่นมัวเนี่ยมันคือการทำร้ายตัวเองถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยนะก็จะได้สติแล้วจะเห็นความสำคัญของการกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมารู้เท่าทันใจที่บ่นวยวายตโพยตย นะอันนี้ก็เป็นการวางใจอีกอย่างหนึ่งนะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยยอมรับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้เนี่ยคุณลองเติมคำว่าแค่ลงไปแค่นะหายแค่โทรศัพทนะ์เงินหายแค่สองหมื่นมีผู้ชายคนหนึ่งนะั้นหน้าตากรซิเซียวผอม ไปหาหมอหมอเห็นก็ขอตรวจเลือดเลยแล้วก็นัดมาฟังผลแล้วหมอก็บอกว่าลุงลุงเป็นเบาหวานนะแกยิ้มเลยนะหมอบอกหมอก็เลยสงสัยหมอก็เลยย้ำว่าลุงเป็นเบาหวานนะแล้วเป็นเบาหวานเนี่ยมันต้องดูแลร่างกายตลอดชีวิตเลยนะ ทำไมยุงทำไมลุงเนี่ยหน้าตายิ้มแย้มแบบนี้คุณลุงก็บอกว่าหมอทีแรกผมนึกว่าเป็นเอชเป็นแค่บเคบาหวานเป็นแค่เบาหวานเนี่ยนะคือพอพอเป็นแค่คำว่าแค่เบาหวานนี่นะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะอีกรลยหนึ่งนะอันนี้ตมาก็เล่าบ่อยเหมือนกันจิตอาสาไปเยี่ยมผู้ป่วยเป็นเด็กอายุสิบสี่ เธอเป็นมะเร็งสมองผมร่วงหมดเลยเพราะโดนฉายแสงฉีดเคมโมแต่เธอยิ้มย้มแจ่มใสจิตอาสาก็แปลกใจคุยไปคุยมาเธอก็เธอก็บอกว่าเธอโชคดีที่เป็นมะเร็งสมองเพราะว่าญาติคนนึงเป็นมะเร็งปากมดลูกปวดมากเลยทรมารมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองมะเร็งสมองพอคุณเติมคขาบ่าแค่ลงไปนี่นะ มันกลายเป็สึกเป็นเรื่องเล็กเลยนะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้อาตมาคิดว่าถ้าเราลองวางใจแบบนี้ดูบ้างนะ ไ, ไม่ว่าเจอแล้วก็ตามเนี่ยคุณลองเติมคําว่าแค่ลงไปไอ้สิ่งสูญเสียสิ่งร้ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กโอ้รถติดแค่สองชั่วโมงเองเหรอ <laughs> <laughs> <laughs> ใช่ไหมจะทุกข์ไปทําไมกับรถติดอ่ะเพราะมันติดแล้วใช่ไหมเราทำเราเราวางใจให้เป็นปกติดีกว่า อันนี้จะมองแง่หนึ่งก็คือการมองบวกก็ได้นะการมองบวกก็เป็นการวางใจแบบหนึ่งนะคือวางใจให้เห็นแง่มุมที่เป็นบวกนะแทนที่เราจะจ่อเห็นแต่ด้านที่เป็นลบเราก็วางหรือว่ามองหันมามองส่วนที่เป็นบวกมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มและเป็นคนที่มีจิตงดงามมากชอบไปช่วยเหลือ เด็กยากจนในชนบทวันหนึ่งก็ชวนนักศึกษาไปช่วยโรงเรียนแถวแม่ห้องสอนไกลทีเดียวนะเสร็จแล้วเนี่ยก็นั่งรถตู้กลับแม่ห้องสอนเนี่ยคงเยอะขากลับเนี่ยเพราว่ารถเนี่ยเกิดพลาดนะตกจากถนน ลงไปยังเหวข้างล่างมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ไ ด, มไมได้มันก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะตอนที่ตกลงไปเนี่ยชาญหนุ่มคนที่แกก็ภาวานาบอกขอให้ทุกคนเนี่ยที่แกพามา น, น, านี่ปลอดภัยปรากฏว่านักษาทุกคนนี่ปลอดภัยหมดเลยยกเว้นแกแกนี่น ะ, ะปราก ว, ว่าได้รับแรงกระท บ, ระทบกระแทกอย่างแรงเป็นอมพึกเป็นอมภ่ า, าครึ่งตัวแต่แกก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสหลายคนเนี่ยก็มา แเล่าว่ามีหลายคนเนี่ยมาบอกแกแก็แค่ทํานองสงสารแล้วก็ตัดเพอขนาดทาบุญยังต้องยังยังเจออุบัติเหตุขนาทําบุญแล้วยังเจออุปัติเห ต, เออเหตุมันก็ว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีแต่ในใจนี่แกแกกลับคิดว่าเนี่ยก็เพราะทําบุญเสียนะถึงรอดมาได้ขนาดเนี่ยถึงรอดต้องครึ่งตัวไม่งั้นตายไปแล้ว น, นี่ก็เป็นการมองบวกนะคือว่าแทนที่จะมาเสียอกเสียใจว่าโหอุตสาห์ทาความดีทําบุญทํากุศลแล้วทำไมต้องมาเจอแบบนี้แกก็มองว่าเพราะทําดีนะเศน ะ, ะถึงไม่ตายเน ย, ยังยังแค่มาพาดครึ่งตัวไอความรู้สึกที่ดีของเราเนี่ยความรู้สึกที่การที่มองสิ่งต่างๆในเชิงบวกหรือว่ามองเห็นแง่ดีของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยทําให้เราเนี่ย สามารถที่จะอยู่กับความทุกข์ได้โดยที่ไม่ซ้ำเติมตัวเองหลายคนไม่ชอบความเครียดโดยเฉพาะนักภาวนายิ่งมารู้ว่าความเครียดเนี่ยเป็นตเป็นตัวการทำให้คนเจ็บป่วยนะเป็นตัวการมีมีข้อมูลจากการวิจัยพบว่าความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยเป็นสาเหตุแห่งการตายที่ร้ายแรงยิ่งกว่าเล่าและบุหีนะเพราะฉะนั้นคนทุกวันนี้กลัวความเครียดมาก แต่ไม่มีข้อมูลล่าสุดที่พบว่าความเครียดเนี่ยมันไม่ใช่เลวเสมอไปนะความเครียดจะดีหรือไม่ความเครียดจะเลวหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรามองมันอย่างไรถ้าเรามองว่ามันดีความเครียดก็ดีนะถ้าเรามองว่ามันแย่ความเครียดมันก็ซ้าเติมทำให้เราเนี่ยแย่ทั้งกายแย่ทั้งใจเมื่อเร็วๆนี้เขามีการศึกษาเขาทดลการทดลองกับนักศึกษาสองกลุ่ม สกลุ่มนี้กําลังจะสอบเข้าเรียนปริญญาโทซึ่งข้อสอบก็ยากกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะผู้ทดลองเนี่ยก็จะบอกกับนักศึกษาว่าไอ้ความเครียด ร, ระหว่างสอบหรือในระหว่างการเตรียมสอบเนี่ยนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเครียดมันก็ดีเหมือนกันมันช่วยทําให้การสอบได้ผลดีอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ทําอะไรเลยแล้วเขาก็ให้ลองสอบดูปรากฏว่ากลุ่มแรกเนี่ยซึ่งได้รับการบอกเล่าว่าความเครียดนี่มันดี มันมีประโยชน์ทำคะแนนได้ดีกว่ากลุ่มที่สองถ้าเทาที่ความเครียดเท่าเดิม น, นะความเครียดของสองกลุ่มเนี่ยเหมือนกันเพราะเขาเอาน้ำลายไปตรวจหาคอติซอลก็พบว่าทั้งสองกลุ่มนี่เครียดเหมือนกันแต่กลุ่มแรกเนี่ยเขามองความเครียดในแงด่ดีเขาไม่เห็นทุกข์ร้อนกับมันคะแนนการสอบได้ดีกว่านี่เป็นการทดลองสอบและพอถึงเวลาสอบจริงกลุ่มที่หนึ่งก็สอบได้ดีด้วยได้ะคะแนนดีด้วย อีกที่นึงก็ทําวิจัยกับนักศึกษากับพนักงานในในใ น, ในธนาคารแห่งหนึ่งเอาไม่ใช่ในธนาคารแห่งหลายแห่งประมาณสี่ร้อยคนแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะก็จะให้ดูวิดีโอที่ย้ำถึงโทษของความเครียดว่าเครียดเนี่ยมันทําให้หัวใจวายทำให้เป็นโรคความดันอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกความเครียดเนี่ยมันมีข้อดีอยังไรบ้างมันช่วยสามารถจะกระตุ้นให้เกิดสมรรถนะในการทํางาน กลุ่มที่สามไม่ทำอะไรเลยนะดึงอระท่ป่านไปเนี่ยเขาเพบว่ากลุ่มที่สองเนี่ยซึ่งได้รับได้ดูวิดีโอที่พึงว่าความเครียดมันดียังไงเนี่ยปรากฏว่ามีมีสมาธิดีกว่ามีส่วนร่วมมากกว่าแล้วก็มีความเจ็บป่วยน้อยกว่าสองกลุ่มเนยอันนี้เขาชื่อเลย ว, ว่าท่าทีของเราหรือความรู้สึก ข, ของเราต่อความเครียดเนี่ยมันเป็นตัว มันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกับตัวความเครียดด้ว้ความเครียดไม่ดีแต่พอเรามองว่ามันดีนะหรือเรารู้สึกบวกกับมันมันก็อาจจะเกิดผลดีก็ได้นะมันอยู่ที่ใจเรานะว่าเราจะมองมันอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ซึ่งทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วใจของเราเนี่ยสำคัญมากมีพู้หญิงคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งแล้วต้องรับการฉายแสงมะเร็งของเธอเนี่ยต้องรับการฉายแสงที่แรง นะโดสที่แรงเคมีบําบัดก็แรงต้องได้ใช้โดสที่สูงคนส่วนใหญ่แพ้แต่เธอไม่แพ้แพ้น้อยมากคนก็แปลกใจว่าเธอมีอะไรดีเหรอนะยีนเธอดีหรือเปล่านะเพราะว่าเธอบอกเธอไม่ได้ทำอะไรเลยเธอเพียงแต่คิดว่าเวลาได้รับการฉายแสงเนี่ยเธอก็คิดว่ากําลังได้รับแสงสวรรค์เวลาฉีดเคมีบําบัดเธอก็คิดว่ากำลังได้รับน้ําทิพย์ เธอมองมันด้วยความรู้สึกที่ดีพอใจยอมรับกายก็ยอมรับด้วยกายก็ไม่ต่อต้านตงข้ามคนที่กลัวกลัวเคมีบำบัดกลัวการฉายแสงได้รับคําพูดว่าแพ้แพ้มากเลยพอโดนฉายแสงเข้าเนี่ยใจมันต้านนะด้วยความกลัวใจมันไม่เป็นกลางต้านเพรากว่า กายมันก็ต่อต้านเด้อก็เลยเกิดาการแพ้ถ้าระวังใจเป็นเนี่ยนะการซ้ําเติมตัวเองจะไม่เกิดขึ้นถึงแม้เราจะเจอสิ่งที่แย่นะแต่พอระวังใจอย่างที่ว่าเช่นวางใจเป็นกลางยอมรับมันไม่บน่นไม่โยวยวายไม่ตีโพยตีพายหรือรู้สึกดีกับมันอย่าง น, น้อยใจเราก็ปกติอาจจะมีความทุกข์นะแต่ว่าเป็นแค่ทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์ด้วย การให้อภัยก็เป็นวิธีหนึ่งนะในการไม่ซ้ําเติมตัวเองหลายคนเนี่ยถูกลังแกถูกเบียดเบียนถูกเอาเปรียบถูกทรยศโกรธนะพอโกรธแล้วเนี่ยเป็นไงไม่รู้เลยนะว่ากําลังซ้ําเติมตัวเองเสียเงินเพราะถูกโกงไปแล้วเนี่ยยังปล่อยให้ความโกรธเผาล้อมจิตใจยังปล่อยให้ความเกลียดกลีดแทงใจ คนที่เขารักตัวเองนะเขาจะไม่ซ้าเติมตัวเองเสียก็เสียแตงเงินนะแต่ว่าจะไม่รักษาจะไม่จะไม่ปล่อยให้ใจเนี่เป็นทุกข์ด้วยเขาจะรู้จักให้อภัยการให้อภัยนี่ก็เป็นเป็นการวางใจอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ให้อภัยเพื่อคนอื่นให้อภัยเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองได้ไม่ทุกข์เพื่อจะได้นอนหลับเพื่อจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยจากความกลัวจากความพยาบาลชายคนนึงถูกรถชน แล้วตีนผีรถคันนั้นก็หนีไปเลยปล่อยให้ชายคนนั้นเนี่ยนอนอยู่บนถนนขาหักแขนหักรถพยาบาลมาถึงอย่างทันทีมารับชายคนนั้นเพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ชายคนนั้นบอกว่าฉันไม่ขึ้นจนกว่าไอรถตีนผีคันนั้นมาขอโทษฉันคนนี้ฉลาดไหยฮะ ไม่ฉลาดเนะคนที่รักตัวเองเนี่ยต้องไปรักษาก่อนทุกคนก็ทำอย่างีทั้งน้าเวลาป่วยเวลาเจ็บกายแต่พอเจ็บใจไม่ทำอย่า ง, ง น, นั้นนะเวลาเจ็บใจจะพูดว่าเนี่ยขอต้องมาขอโทษฉันก่อน ถ, อถึงจะให้อภัยเราไม่ทำอย่างนั้นกับเวลาที่เราเจ็บกายเขาจะมาขอโทษเราหรือไม่เราไปโรงพยาบาลก่อนเราไปรักษากตัวก่อน แต่เวลามีคนมาทำร้ายจิตใจเราเนี่ยเราจะไม่ยอมให้ไม่ยอมให้อภัยเขาจนกว่าเขาจะมาขอโทษเราอันนี้เราฉลาดหรือเปล่านะเราวางใจถูกไหมถ้าเรารักตัวเองหน้าที่ของเราอย่างแรกคือเยียวยาจิตใจและสิ่งที่เยียวยาจิตใจได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการให้อภัยเขาจะมาขอโทษเราหรือไม่เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไม่ทำมันก็เป็นกรรมของเขาเองนะแต่หน้าที่ของเราคือเราต้องดูแลตัวเองดูแลกายและใจของตัวเอง เยียวยาประการต่อมาคือว่าเราวางเราจะวางใจอย่างไรนะจึงสามารถหาประโยชน์จากทุกสิ่งได้ทุกสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเราเป็นประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเรารู้จักมองถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยเราสามารถจะหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งแม้ว่ามันจะเป็นความเจ็บความป่วยความสูญเสียตอนที่เกิดน้ําท่วมใหญ่เมื่อปีห้าสี่ ก็มีผู้คนสิ้นเนื้อประดาตัวเป็นจำนวนมากหลายหมื่นเป็นแสนบางคนก็กุ้มอกกุ้มใจจนเป็นบ้าบางคนก็ฆ่าตัวตายซึ่งอันนี้ก็จัดว่าเป็นการซ้ำเติมตัวเองนะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยมันมันทำลายหรือว่ามันแค่พัดพาเอาทรัพสมบัติไปมันไม่สามารถจะทำอย่างอื่นได้แต่พราะวางใจไม่เป็นก็เลยกลุ่มอกกุ้มใจจนจนเสียสตินะจนเป็นบ้าหรือจนทาลายตัวเอง แต่มีคนหนึ่งเขาก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่เขาบอกว่าน้ําท่วมคราวนี้มันก็ทําให้เขาได้เห็นเลยนะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยทุกอย่างที่อยู่กับเราเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองอันนี้เราได้ประโยชน์จากน้ําท่วมเราสามารถจะได้ประโยชน์จากความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยก็มาสอนให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารมาเตือนให้เราไม่ประมาทกับเวลาที่เหลืออยู่อาจารย์พุทธ่าบอกว่าความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาด หลงพ่ อ, เ, อเขียนสวุวรรณนสุษอาจารย์ของหอตมาตอนที่ท่านป่วยเป็นมะเร็งครั้งแรกเมื่อปี49เนี่ยท่านก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาท่านบอกว่าป่วยเป็นมะเร็งนี่ก็ดีนะมีคนทำอะไรให้ทุกอย่างเลยสบายได้แต่นั่งดูไตรักนะท่านใช้โอกาสนีนะ่เวลาเจ็บป่วยเนี่ยดูไตรักเพราะว่าไตรักเนี่ยมันมาแสดงให้เราเห็นมันมาโชว์ให้เราเห็น เวลาป่วยเนี่ยเป็นเวลาที่ดีนะที่เราจะมาพิจารณาดูไตรลักษณ์ไม่ชอาแต่บน่นว้อยวยตีโพย ต, ตีพายทำไมาต้องเป็นชั้นนะนี่คือโอกาสดีนะที่เราจะได้เห็นสัจธรรมจากความเจ็บป่วยนี่คือความหมายของการเห็นประโยชน์จากทุกสิ่งเห็นประโยชน์จากทุกสถานที่เกิดขึ้นการสูญเสียคนรักนะมันก็สอนให้เราเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเห็นโทษของความติดยึด นางกีสากคตมีเนี่ยพอเห็นตรงนี้นะท่านบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยนะจากเดิมเนี่ยที่กลุ่มหมวกุ้มใจที่เสียลูกอายุแค่สองสาขวบยอมรับไม่ได้ที่ลูกตายอุ้มศพลูกเพื่อให้ไข่ต่อใครฟื้นปลูกให้ฟื้นแต่สุดท้ายเนี่ยนะพอได้พอได้ได้เจออุบายธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เข้าใจเรื่องความตายเข้าใจเรื่องความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัว และพอผู้เจ้าแสดงธรรมเพียงแค่เล็กน้อยนะว่าน้ําป่าเนี่ยย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลฉันใดเนี่ยพญามัจจุราชก็พัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกในทรัพย์ในคนรักฉันนั้นพอผู้เท่านี้นี่นางกิศาก็จมีบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ประโยชน์นะจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นคําด่าก็มีประโยชน์นะคำด่า ก, ก็มีประโยชน์ มีปรียวได้หลายอย่างเลยคุณเล็กวิริยพันธ์อดีตเจ้าของเมืองโบราณเคยพูว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลนะคำตำหนิเป็นอัปมงคลมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงปูง่ขาวอนารโยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยวันหนึ่งท่านก็มอบหมายให้พระสองรูปเป็นลูกศิษย์เนี่ยไปดูดาบว่ากราแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีสา มม่ชีสานี่เป็นเป็นคนที่ปฏิบัติดีแต่ว่าท่านก็มีอุบายนะให้สองรูปเนี่ยไปด่าแม่ชีสาทั้งสองรูปนี้ก็เดินไปที่กตติแล้วก็ทาตามที่ครูบาสั่งครูบาจารย์สั่งโดยที่ไม่ได้สงสัยว่าให้ด่าไปทำไมไปถึงก็ด่าเลยมม่ชีสานี่ทีแรกก็งงนะแต่ว่าก็ตั้งสติได้พนมมือฟังคำดูด่าว่ากล่าว พระอาจารย์สองท่านก็ดูด่าว่าก่าจนไม่ไม่รู้จะด่าอะไรแล้วนะพอหยุดเนี่ยแม่ชีสาก็เลยพูดขึ้นมาว่าพระอาจารย์ดูด่าว่าก่าจบแล้วเหรออยฉันฟังแล้วทราบซึ่งเหลือเกินที่ดูด่ามานั้นเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยคราวหน้านิมนต์มาดูด่าใหม่นะเพราะว่ามันจะช่วยช่วยช่วยช่วยขูดกิเลสให้หมดไป แม่ชีสาวไม่ทุกข์เลยนะแม่ชีสาววางใจอย่างฉลาดว่าคําดูดดาว่ากล่าวเนี่ยมาเป็นเครื่องขูดกินเละเป็นเครื่องลดละอัตตาฉะั้นอย่าให้ให้เราเราลองนะเวลาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราลองหาประโยชน์จากมันไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นลบนะหรือแม้แต่ในายาปกติเนี่ยไม่ว่าเราเห็นเราเจออะไรเนี่ย ลองมองทุกอย่างให้เป็นธรรมะเราจะได้ประโยชน์มากเงินหายของหายมันก็เป็นธรรมะนะมันสร้างหเห็นความไม่เที่ยงเห็นต้นไม้ล้มใบไม้ร่วงก็เป็นธรรมะบางทีแม้กระทั่งเห็นหญิงสาวเห็นรอยยิ้มหญิงสาวก็เป็นธรรมะได้พระนาคสมมาเนี่ยนะท่านกาลังเดินอยู่ในเมือง ก็มีขบวนแห่มีหญิงสาวคนหนึ่งแต่งตัวสวยงามเป็นนางรำนะแต่งตัวฟ้อนรําอย่างดีนะแล้วก็มองมาที่ท่านสายตางท่านเนี่ยไปไปกระทบนะกับหญิงสาวคนนี้แต่แทนที่จะเกิดการมรารักนะท่านกลับเห็นโทษของกามว่านี่แหละคือบวงแห่งมานจิตท่านเนี่ยเกิดปัญญาเลยนะ แล้วก็ท่านบรรลุธรรมนะบนถนนนั้นเลยอันนี้คล้ายๆกับท่านแล้วุณตะการพัทยะท่านเป็นพระที่ล่างเล็กนะตัวตัวคล้ายๆเป็นมันก็คลโกติอะนะตัวตัว เ, เล็กๆหน่อยป้อมๆก็อยู่บนถนนนะก็มีรถม้าเนี่ยเด่นผ่านในรถมา้าก็มีมานพหนุ่มกับหญิงขณิกาหญิงคณิกาเห็น พระลกุณตะกะเนี่ยพัทยาก็เห็นแล้วเห็นคงเอ็ดดูแล้วก็ยิ้มยิ้มเนี่ยเห็นฟันเลยพ้ะลูกุณตะกะพัทยาก็เห็นภาพนี้แต่แทนที่ท่าเกิดแทนที่ท่าจะเกิดราคะเนี่ยท่านกลับมองโอ้เนี่ยคือคือบ่วงของมานใจท้าไม่ได้คล้อยตามแต่ท่านกลับเห็นโทษเห็นโทษของสังขารเห็นโทษของการมาราคะท่านบรรลุธรรมไปพระนาคามีทันทีเลยอันนี้ก็เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์ เราสามารถจะเห็นธรรมะจากทุกอย่างแม้กระทั่งภาพหญิงที่กาลังแต่งกาลังยิ้มหรือว่ากำลังฟ้อนอย่างสวยงามได้พระติสานี่ท่านเดินนะผ่านชุมชนได้ยินเสียงนางทาสีกาลังร้องร้องเพลงและเพลงนะั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่เที่ยงของชีวิตคล้ายๆถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งสมัยนี้ก็เหมือนกับเพลงมันบ่แน่ดอกนายนะ แต่เพลงนั้นมัออกมันลีลาเศร้าๆท่านฟังนี่ท่านพิจารณาตามท่านบรรลุธรรมร่ารหัสเลย น, นะท่านบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้จากการพิจารณาทรากศพแต่จากการที่ได้ฟังเสียงเพลงของหญิงสาวร้องหมายความว่าไงมาครัว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถจะเป็นประโยชน์ในทางธรรมได้ถ้าหากว่ารู้จักมองการวางใจประการต่อมานะก็คือวางใจเพื่อไม่ให้ ไม่เปิดช่องให้กิเลสเข้ามาครอบงำสิ่งที่จะช่วยให้กิเลสไม่ครอบงำจิตใจนะี่คือการไม่ประมาทนะความไม่ประมาทไม่ว่าเราจะเป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ว่าเราจะเป็นคนที่มีศีล น, นะหรือว่าจะเป็นนักบวชเป็นพระเนี่ยเราก็ไม่อาจประมาทนะกิเลสได้เพราะความประมาทเนี่ย มันอาจจะทำให้เราเนี่ยเผลอเปิดช่อยกิเลสได้ไม่มีเรื่องเล่านะเปียกโปสเตอร์เนี่ยแกเป็นแกเป็นนักสร้างหนังที่มีชื่อมอสามสิบสี่สิบปีก่อนก่อนที่จะเป็นนักสร้างหนังเนี่ยแกเป็นนักวาดโปสเตอร์โฆษณานหนังแกเล่าว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะสมมติชื่อเกษียณเนี่ยวันหนึ่งไปนั่งกินอาหารด้วยกันในร้าน กเกษียนเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกินเหล้าแล้วก็ท่าทางเมาด้วยกเกษียนก็พูดขึ้นมาว่าโง่ชิบหายเลยกินเหล้าแต่โดนเหล้ากินนะสองเดือนต่อมานะไปงานเลี้ยงบ้านเพื่อนเขาตั้งในโต๊ะนี้เขาก็มีเบียวางก็อยูนบนกลางโต๊ะแกก็ลองชิมดูก็รู้สึกมันฝืดๆนะเปรียปร้ยวๆผ่านไปไม่กี่วัน เบียร์โสเตอร์ก็ไปสังเกตเห็นกระเียนี่กำลังวาดลูกอยู่ก็ไปเรียกให้ลูกน้องเนี่ยไปไปซื้อเบียร์มาเปียร์โพสเตอร์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าอ้าวเคยว่าเขาแล้วทำไมทำใจเองกระเียนบอกว่านายไม่รู้อะไรไอ้เหล้าเนี่ยเป็นของคนสถุ น, นี่แต่เบียร์เนี่ยมันของคนที่เป็นคนชั้นสูงเอาไว้ผ่อนคลายนะ จากเดิมเนี่ยกินเบียร์แค่ขวดเดียวหรือครึ่งขวดตอนหลังก็ล่อไปสีห้าขวดต่อวันแล้ววันหนึ่งก็เปียบโปเซอร์ก็ไปเห็นกรเสียนบอกให้ลูกน้องเนี่ยไปสั่งไปไปซื้อเหล้ามาเปกหนึ่งเปียบโปเซอร์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอา้าวนบอกว่าเราเป็นของคนสะถุลเนนีะ่แล้วทําไมเดี๋ยวนี้กินเหล้าแล้วแกก็บอกว่านายต้องเข้าใจนะ อาชีพยอยงเราเนี่ยเงินเดิมมันไม่ทมันเงินมันมไม่มากเท่าไหร่จะมีปัญญาซื้อเบียร์วันละสี่ห้าขวดได้ยังไงกินเหล้าเป๊กเดียวนี้เอาอยู่เลยนะและนับแต่นั้นแกก็ติดเหล้าเลยนะเสร็จแล้วแกก็เป็นอัมพาตแล้วแกก็ตายเพราะเหล้าจากคนซึ่งดา่าคนกินเหล้าว่าโง่ชิบหายเลยเนี่ยกินเหล้าแต่ให้เหล้ากินเนี่ยกลายเป็นคนติดเหล้าเนี่ย อันนี้เพราะอะไรเนะี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเพราะว่าไปว่าเขานะก็เลยโดนเองแต่ที่จริงสาเหตุทำ ง, งานคือเพราะความประมาทประมาทไปคิดว่าเล่าเนี่ยมันเป็นของคนโง่คนอย่างฉันฉันเป็นคนฉลาดเนี่ยเล่ามันทำอะไรไม่ได้หรอกพอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยนะมันเปิดช่องให้เล่าเนี่ยเข้ามาครอบงาเวลาทันทีที่เราไปดูหมิ่นเย็ดยามว่า ก, กล่าวใครเนี่ย นั่นแหละคือช่องทางที่กินเลดเนี่ยมันจะเข้ามาพระที่เพ่งโทษคนนั่นคนนี้นะว่าไม่รักษาศีลไม่มีวินัยนะหลายลูกก็ลงเอยนะด้วยการสุดท้ายก็ศึกแล้วก็สุดแล้วก็ไปติดเหล้านะแล้วบางทีก็ตายเพราะเหล้าอันนี้เป็นพราะความประมาทแต่จริงมันไม่ใช่ฉเฉพาะเรื่องเหล้าอย่างเดียวนะความประมาทอย่างอื่นก็เหมือนกันเช่นประมาทในความดีที่ตัวเองมี นะหรือว่าประมาทในในความสุขที่ที่มีผู้เจ้าตรัสว่าผลแห่งความดีย่อมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณานะเวลาทำความดีแล้วก็ได้รับคำชื่นชมสรรเสริญได้รับรางวัลนะใครๆก็ยกย่องเนี่ยอันนี้เราเป็นผลแห่งความดี แต่ถ้าไม่พิจารณานะมันสามารถจะกลายเป็นพิษได้และที่ไม่พิจารณาเพราะอะไรเพราะประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหมั่นนะเราอย่าประมาทนะในสิ่งต่างๆแม้จะเป็นผลในความดีก็ตามอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้ไม่ไม่ไม่เปิดช่องให้กิเลสเข้ามาครอองำได้คือให้หมั่นรู้สึกตัว ความหลงเนี่ยนะถ้ามันคลองใจแล้วเมื่อไหร่เนี่ยกิเลสก็เข้ามาได้ง่ายแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่เสมอนะกิเลเลอะหรืออกุศลธรรมเนี่ยก็เข้ามายากอุจาตรัสว่าบุคคลเมื่อมีความรู้สึกตัวกุศลกุศลกุศลอกุศลธรรมใดที่เกิดแล้วก็หายไป สุสวรรคธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็บังเกิดขึ้นความรู้สึกตัวนั้นจําเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อความตั้งมั่นไม่เสื่อมสูญแม้อันตราฐานแห่งพระสัตธรรมเมื่อ ต, ตามที่เรามีความรู้สึกตัวอยู่เสมอนะจิตใจก็ไม่เปิดช่องให้กิเลสเข้ามาครอบงําได้ง่ายหรือไม่สามารถจะครอบงําได้เลย เราจะรู้สึกตัวได้ก็เมือ่อต่อเมื่อเราหมั่นเอาใจเนี่ยมาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าปล่อยให้ใจเพ่นพ่านออกไปนอกตัวนะพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาประการสุดท้ายคือว่าวางใจอย่างไรนะเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่ประณีตคนเราเมื่อเกิดมาทั้งทีนะคุณจะเข้าถึงความสุขที่ประณีตความสุขที่ประเสริฐ แล้วความสุขที่ประเสริฐเนี่ยก็คือความสงบพนะู้เจ้าตรัส ว, ว่าสุขอื่นนี่ความสงบไม่มีแต่ความสงบเนี่ยมี อ, มอยู่สองอยู่อย่างนะสงบเพราะไม่รู้คือปิดหูปิดตาไม่รับรู้อะไรเลยแต่พอไปรับรู้สิ่งภายนอกก็อาจจะว้าวุ่นวุ่นวายได้ง่ายความสงบอีกอย่างคือสงบเพราะรู้รู้นี่มีสองอย่างนะก็คือรู้ตัว ร, รู้ความจริงรู้ตัวมันตรงข้ามกับความไม่รู้ตัวหรือความลืมตัวหรือความหลงความหลงก็มีสองอย่างก็คือหนึ่งลืมตัวสองไม่เห็นความจริงถ้าเราหมันนะสร้างความรู้สึกตัวอยู่เสมออย่างที่ธรรมมาพูดเนี่ยเราจะเข้าถึงความสงบได้ง่ายเวลามีอะไรมากระทบเรารู้ รู้ว่ามันมีมันเกิดขึ้นที่ใจอันนี้เรารู้ด้วยสตินะถ้ารู้ด้วยสติเนี่ยแม้ว่ารูปมันกระทบตาทำให้ใจกระเพื่อมไม่ว่ายินดีหรือยินร้ายแต่รู้ทันธรรมชาติของของจิตเนี่ยนะ อารมณ์ใดก็ตามเนี่ยที่มันพอถูกรู้ทันขึ้นมาหรือถูกเห็นเนี่ยมันก็จะสงบนะไม่อาจจะเป็นความโกรธไม่อาจจะเป็นความเกลียดความเศร้าความดีใจความยินดีที่มันมาครอบงำจิตใจเราได้เนี่ยจนเราหลงจนเราลืมตัวเพราะเราไม่เห็นมันหรือเพราะว่าไม่มีสติรู้ทัน ถ้าว่าเราเนี่ยสามารถที่จะฝึกใจเนี่ยให้มีสตินะรู้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งความคิดที่จิตปรุงแต่งขึ้นมามันก็จะสงบลงไปได้แต่สงบอย่างนี้ก็เป็นสงบชั่วคราวนะรู้ที่สำคัญก็คือรู้เห็นความรู้ความจริงรู้ความจริงในที่นี้คือ ความจริงที่ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนนั่นคือรู้ด้วยปัญญาแต่การรู้ด้วยปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการที่เรารู้ด้วยสติหรือเห็นด้วยสติตอนแรกก็เห็นว่าอ๋อมันเกิดขึ้นแต่ก่อนเวลาเวลามันเกิดขึ้นก็ไปคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเวลาทาอะไรก็คิดว่าเราทาเวลาเดินก็คิดว่าเราเดิน เวลาโกรธก็คิดว่าเราโกรธแต่พอมีสติมันก็เห็นนะว่าไอ้ที่เดินไม่ใช่เราเดินนะมันเป็นรูปมันเป็นร่างที่เดินมันเป็นกายที่เดินไอ้ที่คิดนี่ไม่ใช่เราคิดนะมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นมาในใจไอ้โกรธนี่ไม่ใช่เราโกรธนะแต่มันเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นมาในใจการเห็นอย่างนี้เนี่ยมันทาให้เราเข้าใกล้ความจริงหรือเห็นรู้ความจริงที่ชัดขึ้นคือมันไม่มีเรา มันมีแต่รูปกับนามมันมีแต่กายกับใจแต่เพราะความไม่รู้ความจริงทําให้เราหลงปรุงว่ามันมีเราเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจหรือเป็นเจ้าของการกระธรรมเวลามีความทุกข์แทนที่เห็นความทุม่มก็เลยกลายเป็นว่าเราทุกเราทุกแต่กรนี้ถ้าเรารู้ด้วยสติหรือเห็นด้วยสติอยู่เนืองเนือเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาจนรู้หรือเห็นความจริงว่าที่จริงไม่มีเราและการที่เห็น ความจริงของกายและใจะการที่เห็นของจริงคือกายและใจเนี่ยอยู่เนืองๆด้วยสติเนี่ยจะทาให้เห็นความจริงหรือสัจธรรมที่กายและใจแสดงออกมาซึ่งถ้าเราเห็นสัจธรรมหรือความจริงที่กายและใจแสดงออกมาเนี่ยมันก็ทำให้วางได้มันก็จะเห็นว่าไม่ยอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลย และความรู้อย่างนี้นะที่จะทำให้เราได้เข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงเป็นความสงบที่ประเสริฐคือความสงบเพราะไม่ได้ยึดติดในสิ่งใดการวางใจนะให้เป็นผู้ดูผู้เห็นไม่เข้าไปเป็นกับอะไรไม่ว่ามันจะเป็นยศถาบรรดาศัก์ไม่ว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจก็ไม่เข้าไปเป็นนะหลวงพ่อค เ, อเขียนท่านจานั้นเน้นอยู่เสมอนะให้เห็นอย่าเข้าไปเป็น ให้ใจเราเป็นแค่ผู้ดูเนะราวางใจให้เป็นแค่ผู้ดูเฉยเฉยเห็นความเป็นไปของกายและใจที่เกิดขึ้นเห็นความเป็นไปที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราเหมือนกับนั่งอยู่ริมอยู่บนฝั่งแม่น้ำแล้วก็ดูแม่น้ำเนี่ยไหลการนั่งดูแม่น้ำไหลมาไม่เหนื่อยเลยนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ทำอย่างนั้นเห็นเรือสำราญผ่านมานะก็โจลงไปนะ ไหวเพื่อจะขึ้นเรือเห็นกอสวะผ่านมาก็พยายามที่จะเอากอเอาพยายามเอาไม้เนี่ยแย่กอสวะให้มันห่างตัวไปเห็นม้าเน่าผ่านมาก็ไม่อยู่เฉยพยายามที่จะเอาอะไรก็ได้แย่ดันให้มาเน่าเนี่ยมันห่างไปไกลๆเหนื่อยนะแ ล, ะละ้วคนเราทุกก็เพรเห็นนี้ซะเยอะแต่ถ้าเราเป็นแค่เป็นผู้ดูเฉยนะให้ใจของเราเนี่ยเป็นแค่ผู้ดู ดูทุกอย่างที่มันไหลเลื่อนไปตามกระแสน้ำกระแสจิตนะมันก็ไม่ต่างจากกระแสน้ําคือมันไหลไปเรื่อยแล้วถ้าเราดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็จะเห็นความจริงจิตก็จะเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับกระแสของสัจธรรมความจริงจะไม่ทําตัวไปขวางความจริงเอาไว้เหมือนกับไปขวางกระแสน้ําที่เชี่ยวความจริงเนี่ยมันเหมือนกับ กระแสน้านะที่เชี่ยวมากไม่มีใครสามารถจะต้านทานได้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยทําตัวเนี่ยวางจิตวางทําจิตทําใจเนี่ยเหมือนกับว่าไปขวางกระแสะน้าเอาไว้ก็คือมีจิตที่มันยึดนะในสิ่งที่มันยึดไม่ได้คาดหวังในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เช่นคาดหวังให้มันเที่ยงให้มันสุขหรือไปยึดว่ามันเป็นตัวตนนี่คือการการที่ เราการที่จิตเนี่ยนะเหมือนกับว่าไปขวางไปขวางความจริงเอาไว้เมื่อจิตขวางความจริงนะมันก็ย่อมถูกความจริงเนี่ยพัดพาไปถ้าเราไปยืนขวางกระแสน้ําที่เชี่ยวเราก็อาจจะโดนกระแสน้ําเนี่ยพัดไปชนเกาะแก่งความทุกข์ของผู้คนเนี่ ย, เ, ย, เ, ยเกิดขึ้นก็เพราะว่าการที่จิตเนี่ยนะมันไปยึดมั่นถือมั่นหรือมันไปไปวางตัวเนี่ยนะ ขวางความจริงไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความเป็นจริงหรือศัตรูธรรมยันวางใจของเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกับศัตธรรมเป็นหนึ่งเดียวความจริงนะก็คือรู้ว่าสิ่งทังปวงนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมันได้เลยพระเจ้าตรัสว่าเมื่อเด็กตามที่ไปยึดในรูปก็จะเกิดทิฏฐิว่าลมไม่ไหลลมไม่พัด แม่น้ำไม่ไหลหญิงมีคันไม่คลอดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่ขึ้นและไม่ตกหมายความเป็ไงหมายความพอไปยึดเข้าเนี่ยมันก็จะมีทิฏฐิความเห็นที่มองสิ่งต่างๆว่าเที่ยงน้ำไม่ไหลลมไม่พัดเนี่ยซึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นการไปยึดทิฏฐิไปมีทิฏฐิหรือความเห็นที่สวนทางความจริงความจริงก็คือว่าลมก็ต้องพัดแม่น้าก็ต้องไหล หญงมีคันก็ต้องคลอดโดยที่ดวงจันทร์ก็ต้องขึ้นและตกขึ้นและลงแต่เมื่อตามที่ไปยึดมั่นเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็จะมีทิฐิความเห็นที่สวนทาความเป็นจริงไอ้สิ่งที่เราควรทําคือว่าฝึกใจเราเนี่ยนะเพื่อให้สอดคล้องกับความจริงและตรงนี้ต้องเป็นเรื่องของการภาวนานะเรื่องการหมั่นนะดูศึกษานะ จากสิ่งต่างๆพยายามมองทุกอย่างให้เป็นธรรมะไม่ใช่เฉพาะสิ่งนอกตัวทั้นแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจของเราและเพราะความเ พ, าเพราะใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือที่จริงแม้กระทั่งไม่แม้กระทั่งปล่อยวางใจของเราเนี่ยไม่ยึดมั่นว่าใจเป็นเราเป็นของเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะในการที่จะทําให้ได้เข้าถึงความสุขที่ประณีตนะคือความสงบเย็ยนที่เป็นนิพพาน ผู้เจ้ตรัสว่าคนดีย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นคนดีไม่ได้หลุดพ้นเพราะทําความดีเพราะให้ทานรักษาศีลนะแต่เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ก็ต้องมีความดีเป็นพื้นฐานเพราะความดีนั้นก็จะช่วยปรุงแต่งแล้วก็ปรับจิตปรับใจและช่วยเสริมทำให้เราเนี่ยวางใจได้ถูกต้องสอดคล้งองความเป็นจริงจนกระทั่งจิตเนี่ยมันเห็นความจริง โดยที่ไม่ไ ม, ไม่ฝืนนะไม่มองหรือมีทิฏฐิความเห็นที่ฝืนความจริงหรือขัดกับความจริงและจิตฉะนั้นแหละนะก็จะทำใหนะ้ภาวะที่สุขสงบอย่างอันประเสริฐเนี่ยได้บังเกิดขึ้นได้นะก็พอสมควรแก่เวลานะก็คงยุติท่านนี้